พระธรรมเทศนาแผ่นที่84ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่7ทธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าแผ่นดินสูบสุ ป, ปะพุทธ วันนี้เป็นวันที่เจธันวาคมพุทธศักราช2558สองวันที่ผ่านมาวันที่ห้าเป็นวันพ่อแห่งชาติก็ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานวันก่อนวันที่หกวันนี้เป็นวันที่7รู้สึกว่าอากาศในวัดเราก็รู้สึกวันหนาวขึ้น นิดหน่อยแต่จะว่าพอดีไม่ก็พอพอดีไม่ถึงกับลาบากแต่ถ้ายินเสียงชนีสมชายร้องนเะมากีเนี่ยมันอาจจะเตือนพวกเราให้เตรียมผ้าห่มไว้น่ามันจะเข้าหน้าหนาวแล้วมันคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะมันถ้าหากว่าสมชายร้องนะ่ไม่ร้อนก็หนาว ไม่หนาวก็ฝนตกเพราะนั้นมันร้องเมื่อกี้เนะี่ยเราก็เลยทำนายไปเลยว่าคงจะหนาวก็คงจะขยับเข้ามาอีกนั้นพวกเราเตรียมอุปกรณ์เครื่องหนาวไว้น้านะชนีมันเตือนแลวชนีอุตุประจำวัดของเราเตือนแล้วก็บุวานหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับ ทำมาประทัดตกถาหรือว่ารรมพระ ธ, ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในบทหนึ่งในเรื่องราวหนึ่งหรือว่าในเรื่องเป็นชาดกแล้วเป็นไม่ใช่ชาดกแต่เป็นเรื่องราวในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าพุทธการก็คือครั้งพระพุทธเจ้าสมัยครั้งพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไร เขาก็บันทึกในพระไตรปิฎกเอาไว้เพื่อให้เป็นแบบฉบับให้เป็นแนวทางสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาพวกเราจะในปัจจุบันปัจจุบันตลอดเราก็ไม่รู้เมอนกันว่าเราจะเรียนรู้อะไรมันต้องเรียนรู้ในอดีตอดีตที่ผ่านมาโบราณเขาบันทึกเอาไว้บอกกล่าวเอาไว้ พวกเราก็ได้เป็นแนวทางสำหรับได้ศึกษาศึกษาแล้วก่อนอันไหนเป็นสิ่งที่ดีเราก็ยึดแนวปฏิปทาหรือแนวทางนั้นมาดำเนินชีวิตของเราถ้าตัวไหนไม่ดีเราก็พยายามลดละดูว่าเอออันนั้นสิ่งนั้นไม่ดีไม่ควรจะปฏิบัติหรือไม่ควรจะดำเนินตาม เพราะสิ่งที่มันไม่ดีทำให้จิบหายทำให้เสียหายทำให้เป็นที่ติฉินนินทาในคนในยุคสมัยนั้นแต่สิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นที่ยกย่องเชิดชูเป็นที่ยอมรับคนสมัยก่อนเราก็มาม า, มาวิเคราะห์ดูว่าอืมคนสมัยก่อนที่เขายกย่องที่เขาเฉิดชู บูชาที่เขายอมรับเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรมายุคนี้สมัยนี้ยอมรับได้ไหมเราก็ต้องมาวิเคราะห์ อ, อีกทีนึงที่เขาติชินนินทาก็เหมือนกันเราก็ต้องมาวิเคราะห์ อ, อีกเหมือนกันว่าที่เขาติชินนินทานั้นเป็นยังไงมาถึงยุคนี้สมัยนี้มันเป็นเป็นที่ยอมรับไหม ยุคนี้สมัยนี้เรือว่าเป็นที่ติชินินทายอยูเสียงเหล่านี้เราก็เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังเราก็จะต้องอได้นาอดีตหรือประวัติศาสตร์ที่เขาได้บอกได้กล่าวมาเราก็นำมาพิจารณาเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาที่เป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เป็นอยู่ได้โดยประวัติศาสตร์ พราะนั้นเมืองไทยของเราเไม่สอนประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนหลวงพ่อว่าไม่รู้จะพูดจงไงดีประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นสาคัญเป็นบทเรียนเป็นกระจกเงาหรือว่าเป็นเรื่องราวที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาอันไหนผิดอันไหนถูก อ, อ, อย่างเมื่อวานเมื่อวานเราทำเราทาอะไรเดือนก่อนปีก่อนเราทาอะไรผิดพลาดมา ที่เรามันผิดพลาดแล้ววันมันได้ดีมานะอันนั้นแหละคือประวัติศาสตร์เราก็จะต้องนำที่มันเรียนดีได้ดีมาเอา น, ะนามาประพุทธปฏิบัติในวันนี้หรือวันเดี๋ยวนี้ต่อไปแต่ถ้าว่าเราไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีกระจกเงาไม่มีการเรียนรู้มาก่อน เ, ออเหมือนกระจุงตาบอดไปใส่หน้างานลักษณะอย่างนั้นไม่รู้จะคาผิดคาถูกอะไร เพราะนั้นเรื่องประวัติศาสตร์เราจะมองข้ามไม่ได้ในชาดกก็เหมือนกันชาดกก็คือประวัติศาสตร์ในครั้งพุทธกาลพุทธศาสนาอยู่ได้ด้วยประวัติศาสตร์เพราะนั้นหลวงพ่อจังว่านาโมตัสสะปะคะวะโตข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือต้นศาสนาต้นพระพุทธศาสนาอคือต้นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาจากนั้นประกาศพระธรรม เมื่อต้นประวัติศาสตร์ประกาศพระธรรมพระธรรมคือคําสอนท่านสอนว่ายังไงในประวัติศาสตร์หนึ่งของท่านจากนั้นพระสงฆ์นําประวัติศาสตร์ที่กเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อ 2,558 ปีให้หลังจากนั้นพระสงฆ์ก็นําออกมาถ่ายทอดเป็นทอดทอดเราเคิดดูซิว่า 2,500 2,558 ปีเนี่ยคนอายุเท่าไหร่เราคิดว่าอายุร้อยปีซะกี่ปีจากนั้นมานี้จาก 2,558 ปีเนี่ยมาถึงวันนี้กี่ปีพวกเรานับดูสิว่ากี่ชั่วมนุษย์คนกี่ชั่วคนหลายชั่วคนมันกันนะเพราะนั้น ในการหลายชั่วคนเหล่านั้นคือประวัติศาสตร์พระสงฆ์นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่มาหาพวกเราแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่มายุคนี้สมัยนี้เป็นยุควิทยาศาสตร์เป็นยุคที่มีความคิดเป็นยุคที่ไฮเทอคอพวกเราพูดอย่างนั้นได้แต่สมัยก่อนเขาก็ว่ายุคของเขาเหมือนกันและแต่มาถึงยุคของพวกเราพวกเราเขว่ายุคของเรา เป็นยุคที่ไฮเทคเป็นยุคที่ทันสมัยเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุนะ่ยแต่เรื่องจริยธรรมศีลธรรมจริยธรรมไม่ต้องพูดถึงนะแต่ว่าเรื่องทางด้านวัตถุเนะี่ยว่าของเราเนะี่ยยุคนี้แหละสมัยนี้แหละเป็นยุคเจริญแต่ถึงยังไงก็ตามยุคกรอยุคนี้อันนี้ก็คือ ในเมื่อยุคเจริญก็จริงอยู่แต่ว่าการเป็นอยู่การครองชีพการเป็นอยู่ของคนเราต้องนำมาคิดอีกว่าเขาอยู่ดีกินดีอย่างไรเขามีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างไรศิลธรรมเนี่ยคุ้มครองคนอย่างไรอันนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ อ, อีกจุดหนึ่งอีกเหมือนกันเราจะเอาจุดไหนจากคนโบราณเอามาใช้ในยุคปัจจุบันมาเสริมกัน จุดไหนที่มันอ่อนยุคนี้แต่จุดไหนที่มันแข็งจุดนี้จุดไหนที่มันอ่อนจุดยุคนี้ใน จ, จ, จุดที่มันอ่อนเราก็นำทำห ร, รือว่าแนวความคิดคนโบราณเข้ามาเสริมการอยู่ด้วยกัดจะหยับทำยังไงจึงจะร่มเย็นเป็นสุขหรือจะมีแต่แต่ส่งเสริมซื้อัตราอาวุธซื้อปืนมาทุกคนอย่างนั้นใช่ไหม ให้มีปืนทุกคนยังไหมใครไม่น้อยหน้าใครถ้ามโมโหขึ้นมาเป็นบาเป็นบอกินเหล้าเมาขึ้นมาแล้วก็ยิงกันเล่นอย่างงั้นใช่ไหมหรือจะไงสิ่งเหล่านั้นอันไหนคือความสงบพร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนและสังคมสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราคิดเหมือนกันนะเพราะในครั้งพระพุทธเจ้าของเราความโกรธเรื่องความโมโห ด้วยความไม่พอใจมันมีทุกยุคทุกสมัยอย่างพ่อตาของพระพุทธเจ้านะพ่อตาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้เข้ามงคลสมรสเหมือนกันนะแต่งงานกับนางพิมพายโสธราเป็นลูกของเมืองวิเทหะลูกสาวของพระเจ้าสุภสุปะพุทธนะแม่ของนางพิมพา ก็เป็นน้องสาวเป็นน้องสาวของพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจุดโทธนะนะให้คราบอกพี่เอาน้องน้องเอาพี่คนโบราณเขาไม่ให้ตกหล่นแค่ว่าเจ็ดช่อโคดลักษณะอย่างนั้นแหละแต่คนยุคนี้สมัยนี้เขาพลิกใหม่นะถ้าว่าคนแต่งงานในกลุ่มเดียวกันเนี่ยทำให้สมองไม่ทำงานเป็นคนโง่พูดง่ายๆ ไม่ฉลาดแต่คนโบราณเขาไม่ได้ถืออย่างนั้นเขาถืออีกแบบนึ่ง น, นี่แหละวัฒนธรรมยุคนั้นสมัยนี้มันแปลกแตกต่างกันต่างว่าอยู่ในอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ตกหล่นไปทางไหนเพราะว่ารักษาขนรทมเนียมประเพณเีเป็นเลือดลึกษารลักษาเลือดเนื้อเชื้อไข อ, อไม่ให้ตกไปทางไหนอันนั้นแปลว่าบริสุท คนโบราณเขาถืออย่างนั้นแต่ยุคนี้สมัยนี้เขาถืออีกแบบเรื่องนั่แหละมันยุคมันต่างยุคต่างสมัยตอนนี้นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อหนีออกจากเวียงวังไปบาเพ็ญจนได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นท่านก็นไปโปรดเวนยศัสตร์โปรดพระบิดาโปรดเทศน้าว่าการแต่พะปิด แต่พระเจ้าตาของอบิดาของนางพิมพ์ผายเยสาธาราเนี่ยเป็นพ่อตาของพระพุทธเจ้านี่ยทูุ ป, ปะพุทธะเนี่ยไม่พอใจเอาลูกชายมาบวชคือเทวทัตมาบวชพระพุทธเจ้าก็ตําหนิเทวทัตไม่ดีอย่างงุ้นอย่างนี้พระบิดาก็ไม่สบายใจพระเจ้าสุตทะปดทูตุ ป, ปะพุทธะเนี่ยเอาว่าลูกชายตัวเองเข้ามาบวช กับพระพุทธเจ้าทั้งที่จะจกย่องแต่กับตำหนิและก็พร้อมกันกับเป็นลูกเขยคนนี้จากลูกสาวอีกทำให้ลูกสาวเป็นไม้อีกต่างหากพิมพานเยโสธราแม่ของพระราหุนคือประเดงประดังเข้ามาในความไม่พอใจของพ่อตาอยูแต่อีกอยู่เมืองหนึ่งแต่เมืองพี่เมืองน้องกันเหมือนกับเมืองลาวเมืองไทยลักษณะนั่น เป็นคู่เขยพ่อมเขยถ้าทางนี้เป็นฝ่ายชายก็ไปแต่งงานกับฝ่ายหญิงทางโน้นถ้าฝ่ายนู้นฝ่ายชายกมา็มาแต่งงานกับฝ่ายหญิงฝ่ายเมืองนี้ลักษณะอย่างนั้นแหะเมืองกุ้งกับบินละพัฒกับเมืองกุ้งวิเทหะจากนั้นก็พอต่อมาเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่า น, าานก็เป็น พระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเมืองกรุงก บ, บิลพัทไม่ก็ไม่ใช่ของเมืองวิเทหะพระพุทธเจ้าเป็นสาธารณะทั่วโลกเป็นพระทั่วโลกเป็นพระสาธารณะเป็นพระของทุกคนที่ได้นับถือพระธรรมคําคสอนได้นับถือพระพุทธเจ้าแต่ในพระวก์ก็ไปโปรดเวไนยเจ้าจัดไปหลายๆแห่งหลายๆหนพอไปถึงเมืองนี่แหละเข้าไปโปรดเมืองวิเทหะเมืองพ่อตาน พ่อตาก็โมโหในใจองนั้นนะจากกันแกล้งพระพุทธเจ้าก็พร้อมกับพระสงฆ์ ก, ก็ท่านก็จะไปบินทบาด ท, ทั้งทั้งสองข้างก็เป็นมันคงจะเป็นหนองน้ำใหญ่เป็นทะเลและเป็นท ะ, ทะเลสาบลักษณะอย่างนั้นแ่ะแต่มีหนทางผ่านไปทางเดียวพระเจ้าจุดพระเจ้าจุปะพุทธท่านทร้าบผ่าน พระพุทธเจ้าจะไปบิณฑบาตกับพระสงฆ์ไปโปรดเดินไปสายนี่แหละอพระเจ้าจุดโททนะไอ้พระเจ้าวิเทหะเนี่ยก่อนผู้จะสุปะพุทธะเนี่ยก่อนไปกลางเต็นต์กางกั้นไว้เลยกินเลี้ยงสรองเลยไม่ให้ใครผ่านไปมาได้เ อ, อพระพุทธเจ้าเดินไปไปไม่ได้ออบอกให้ให้ให้ผ่านให้ไม่ให้ผ่าน ม่ให้ผ่านเด็ดขาดเออพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระพุทธองค์ก็เห็นอบอกบอกสองสามครั้งไม่ได้บอกว่านี่นะสุปาพุทธะนี่ทากรรมใหญ่เสียแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านว่าคือท่านพูดทํานายพ่อตาได้ท่นี่สุปาพุทธะเนี่ยทกรรมหนักเสียแล้วนะเออถ้าหากว่าไม่ขืนไม่ปล่อย อ, อไม่ทําอย่างนี้นะ สุ ป, ปาพุทธ h จะแผ่นดินจะสุกที่บันไดของตัวเองจากนี้ไปเจ็ดวันคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทำทำนายนะจะตำติทนายนะพระโต้งก็แย้มพระโอษก่อนนะแย้มพระโอษโอ้ทำไมทาไมททไมถึงทำกรรมหนักถึงขนาดนี้หนอนะ <c oughs> ลักษณะอย่างนั้นล่อ พระอนุนก็กราบทูลถามว่าพระองค์แยมพระโอษฐ์ออด้วยเหตุอันใด ห, หนอไปเจ้าข้าเพราะว่าดีจากนี้ไปอีกเจ็ดวันเนทวจุ ป, ปาพุทธะเนี่ยถ้าเขาไม่ทำตนอยู่อย่างนี้นแผน่น จ, จ, จะสูบเขาในบรรในธรณีประตูในทางขึ้นทางขึ้นประตูของเขาขึ้นปราสาทของเขาเจากนั้นก็องค์ก็เดินจะเดินกลับวัด อพอไปไปได้ต้องกลับวัดแต่นี้คําพูดคือความตรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ยินไปทั่วเลยทีนี้เพราะคําพูดของพระองค์พระองค์จะให้ใครได้ยินจะได้ยินหมดหมดนะยิ่งกว่ า, าลําโพงวิทยุของเราอีกต่างหากถ้าจะให้ได้ยินเลยคือบุญบา ร, รมีของพระพบทุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วนะคนทั้งหลายจะได้ยินอแต่นี้ จุปาพุทธะเขาก็ไปเล่าให้สุตตะ ป, ปะพุทธะฟังแตะ ป, ปะพุทธะก็กินเล่าเออตามไม่จริงอพระเจ้าหลานของเราพระหลานของเราเนี่ยพูดอะไรหนึ่งไม่มีสองนะแต่เอาเถอะข้าวข้านี่ละข้าพระเจ้าจะหักล้างแนวความคิดของเอพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าหลานของเราไม่ให้เป็นอย่างที่ท่านบอกท่านตรัสเอแต่ในจุปาปพุทธะก็บอก ลูกน้องบริวาพรพอใกล้วันขึ้นมาเอาขนของขึ้นไปชั้นเจ็ดนะขึ้นไปชั้นเจ็ดแล้วปิดประตูทุกชั้นเวลาเราจะลงมาให้คนอยู่ที่นั่นอยู่อยู่ที่ประตูหนึ่งสองคนเวลาเราจะลงมาให้ผัก อ, อกขวายาให้เราลงมาแล้วก็ปิดประตูให้ดีใส่กรอนให้ดีทุกชั้นเพราะว่าท่านบวชทานายบอกว่าเนี่ย เราแผ่นดินจะสูบเรานะี่ที่ที่ประตูบันไดชั้นล่างชั้นล่าสุดเนะ่แผ่นดินจะสูบตรงนั้นเพราะนั้นอย่าให้เราลงเข้าใจไหมเอาทหารมาฝึกทหารก็เข้มแข็งก็ปิดประตูทุกชั้นตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงตังแต่ชั้นเจ็ดลงมาจนถึงชั้นหนึ่งจากนั้นก็พระเจ้า สุปปพุทธะก็ขึ้นไปอยู่ชั้นเจ็เลยเตรียมอาหารไปทุกอย่างเกี่ยว่าไม่ให้ลงมาภายในเจดวันเลยเตรียมพร้อมไม่ให้ลงมาแล้วก็เตรียมทหารไว้อีกไม่ให้ตัวเองลงมาแต่นี้พอถึงวันที่เจ็เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสคําไหนเป็นคํานั้นหนึ่งไม่มีสองถ้าตรัสแล้วก็ต้องจริงแต่ในเขาก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสุปปพุทธะเขาเตรียมการใหญ่นะ เขาจะขึ้นไปอยู่ชั้นเจ็ด เ, เขาเตรียมทหารโดยเตรียมกอนประตูอย่างดีปิดไว้อย่างดีอีกทุกชั้นไม่ให้ลงมาอพระ พ, พระุทโธงบอกว่าถึงจะไม่ว่าจะเจ็ดชั้นถึงจะสิบชั้นก็เถอะถึงจะไปอยู่ในตอกห้วยเราเขาไหนก็เถอะอที่เราตราดไปแล้วนะ่ยสุปปัพุทธะจะต้องแผนดินสูบตรงที่หน้าธรณีประตูเท่านั้นเพราะน่ะพระพุทธเจ้าท่าน ท่านตรัดแล้วหนึ่งแล้วไม่มีสองเออจากนั้นจุปปะพุท ธ, ธาก็อยู่ในชั้นเจ็ดนะพอถึงเจ็ดวันทนะ่านัน่ยม้าอยู่ข้างล่างนะ่ยม้าที่ม้าทรงของพระเจ้าจุปปะพุท ธ, ธาอยู่อที่ห้องห้องอยู่ชั้นล่างนะเออเป็นม้าที่บอกที่พระพุทธที่จุปปะพุท ธ, ธารักมากจะไปที่ไหนขึ้นม้าทรง แต่ม้าตัว น, นี้ถ้าว่ามันคึกคึกขึ้นมาแล้วนะ่ะใครเอาไม่อยู่นอกจากสุปาพุทธะเท่านั้นถ้าเห็นเจ้าตัวแล้วก็ลงไปแล้วก็ยศเนะ่ยม้าตอนนั้นก็นหยุดขนองแต่นดี้ม้าตอนมันขนองแทนนะี่เออโดยขนองขึ้นมาด้วยอเองกระโดดโลดเต้นอยู่ในกรงนะเนี่ยสุปาพุทธะอยู่ทั้งบนก็ได้ยินเสียงคลึ่มคลึ่มคลุ่มอะไรเสียงอะไรเสียงม้าขนองแหลนะตอนนี้โอ้ไม่ได้ไมไ ด, ได้เดี๋ยวเราลงจะลงไปนะ่ะ ทั้งที่พวกทหารมหาดเล็กจะผักอกเอาไว้นะพอเดินเข้าไปประตูประตูเปิดเองเลยนะบนรรัญกำกรรมของบาปกรรมของจุตันสุปปพุทธนะเปิดประตูปั้งนะ่ยทั้งที่ท่ามหาดเล็กจะผักอกเอาไว้ผักหลังอไม่ใช่ผักอกแต่ผักหลังผักหลังถล่มลงไปพอไปชั้นที่เจ็ดกัชั้นที่หกก็อย่างเก่า ที่หที่สามที่สี่ที่สองพอถึงที่หนึ่งแผ่นดินก็นแยกเลยเอพอแยกเทวทัตสุปาปุทธ h a กแผ่นดินแยกลงสู่อเวจีมหานรกแต่ก็จะหนักกว่าเทวทัตลูกชายนะเพราะลูกชายเนี่ยเมื่อแผ่นดินสูบแล้วเทวทัตเนี่ยยังยังเห็นโทษว่าเออข้าพรเจ้าได้เบียดเบียนพระพุทธเจ้า อ, อด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งไหนก็ตามขอขอพระองค์จงโปรดอโหสิให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอนพระเจ้าเทวทัตเอาขากันไกลคือคางะ่ะออบูชา พ, พุทธเจ้าเห็นโทษเห็นโทษครั้งสุดท้ายนั่นแหละเทวทัตจะได้มาเกิดอีกจะได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งพกครองได้ได้พยากรณ์แต่สุปาพุทธ่าไม่ได้ ไม่ได้รับพยากรณ์ไม่รู้จะนานเท่าไหร่แผนดินสู่ลงอเวจีมหานรกนี่แหละอันนี้ก็คือความโกรธหรือความพยาบาทหรือความไม่พอใจไม่ได้คิดไม่ได้อ่านว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องมีแต่ใช้ทิฏฐิใช้ความเห็นมานะของตนเองว่าตัวเองถูกดันทุกลังทําสิ่งไหนไม่ได้คิดไม่ได้อ่าน นี่แหละการทำกรรมในครั้งพุทธกาลนี่คือเป็นกระจกเงาอีกเหมือนกันสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้ดูเอาไวเอาไว้ว่าการที่จะใช้อารมณ์โมโหโกธาไม่มีเหตุไม่มีผลทำให้ตนเองเออตกต่ำแผ่นดินสุบเหมือนกับท่านสุปาพุทธะแต่เราก็ทางนี้ทางนั้นเราก็ไม่ได้ช้ำไดเติม เ, เรามีแตจะบอกนำว่าถ้าทำอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้น ถ้าทำดีมันเป็นอย่างงั้นถ้าทำเลวมันเป็นอย่างนี้แต่ท่านตุปาพุทธะท่านทำให้ดีเราจะทำเราจะเอาเป็นตัวอย่างนะคือเป็นตัวอย่างให้ไปให้ฟังเอาไว้อย่าไปทำในสิ่งที่ใช้อารมณ์โมโหโกธาความโกรธทั้งที่ท่านมีเจตนาดีท่านไม่มีอะไรแต่ท่านเราก็ไปโกรธไปโมโหไปผูกพยาบาทอาฆาตกับท่าน ด้วนแล้วแต่เป็นบาปอากุศลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะพวกเราคณะทาญาทโยมลูกหลานที่หลวงพ่อเล่าเป็นเรื่องราวให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่คือประวัติศาสตร์มาในครั้งพุทธกาลเมื่อวานเล่าถึงนางจินจามนวิกแต่วันนี้เล่าถึงท่านสุ ป, ปะพุทธที่เป็นพ่อตาเป็นพระบิดาของ พระนางพิมพายะโสธราก็เป็นพ่อตาของพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าถึงยังไงบาปบุญมันไม่เข้าข้างออกขานะอถึงจะใครก็ตามจับไฟก็ร้อนทั้งหมดถึงจะพวกเราตัวเองเราก็จับก็ร้อนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราอจับไฟมันก็ร้อนเหมือนกันเพราะอะไรเพราะทําความชั่วความชั่วเหมือนกับไฟทําดีเหมือนกับจับน้ําแข็งจับที่ไหนก็เย็น ไฟนะ่จับที่ไหนก็ร้อนทั้งหมดเพราะนั้นความชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าไฟจะไปจับจะเลยดีกว่าถ้าจับที่ไหนร้อนอยู่ที่นั่นนี้ก็เหมือนกันความชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าความชั่วเมื่อทำลงไปแล้วความชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังงั้นพวกเราท่านทั้งหลายฟังฟงเอาไว้นะลูกหลานคณะทาญาตโยมทุกคนาการที่จะทาอะไรต้องมีเหตุมีผล ต้องรู้จักเขตลูกจากใช้ปัญญาถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ถูกห้ามใจตัวเองเอาไว้อย่าทําสิ่งที่มันไม่ถูกถ้ามันไม่ทำ ม, มันไม่ถูกแล้วไปทําเข้าไปเหมือนกับเราไปจับไฟอย่างนั้น่ะ เ, เหมือนกับท่านสุปปุษฏะเราไม่ได้ซ้ําเลยเติมท่านหรอกแต่ว่าท่านไปไปอย่างนั้นจริงๆในพระไตรปิฎกในพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพราะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายนะกรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังตอนน่อไปส่งอนุโมทนาให้พรและพรในตนีนะ